ภาวะตุสาพมังฆรางราคันตุสาปเทวตาสาพพู้ทางนุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสาพมังฆลังราคันตุสาปเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาโสเทภวันตุเตภวตุสาพมังฆรางราคันตุสาปเทว ตาสะพัสสังทานุภาเวนัสนาสุวธีภาควันตุเต